เหมือนกันผู้ที่ระลึกชาติได้นั้นถ้าระลึกชาติที่สมบูรณ์ต้องมีโยนิสโสมนัิการเป็นปัใจจัยให้รู้กรรมและผลของกรรมรู้กรรมและผลของกรรมเนี่ยจะเห็นเลยว่าพอเกิดม า, านะผลบุญให้ผลก็เพลิดเพลินนะพอเพลิดเพลินแล้วทาไงก็ทําบาปพอทําบาปก็ไปสู่อาบายทุกขติวินิบาตตอนหลังได้เจริญกุศลใหม่ก็มาเกิดในสุขติประมาตอีกก็ วนๆอยู่อย่างนี้นะวนกลับไปหาที่เก่าอยู่นี่แหละเคยเห็นนักพนันไหมพวกนักพนันทั้งหลายนะโอขยันทํามาหากินก่อนในตอนแรกเก็บเงินได้เยอะนะไปเข้าบ่อนเกลี้ยงหมดตัวหมดตัวอีกก็ปทุกขตะเข็นใจขึ้นมาอีกมีทรัพย์อีกเข้าไปบ่อนใหม่เล่นหมดตัวอีกขึ้นมาอย่างนี้วนๆอยู่อย่างนี้แหละวัตตาทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวก็สุขติบ้างเดี๋ยวก็ทุกขติบ้างเดี๋ยวก็อบายบ้าง เดี๋ยวก็มนุษย์บัางเดี๋ยวก็เทวดาบ้างเดี๋ยวก็พรหมบ้างเดี๋ยวก็มนุษย์อบายพรหมแต่ว่าโดยมากอบายนะพระองค์ตรัสอยู่แล้วว่าสัต์โลกทั้งหลายเนี่ยในเรื่องเพื่อนนางวิสาขาเนี่ยนะที่ไปกินเหล้าอะ่ะแล้วตอนหลังพระองค์ตรัสเป็นคาถาว่าโลกทั้งหลายเนี่ยสัตว์โลกเนี่ยไม่มีจักสุสัตว์โลกเนี่ยเป็นโลกที่ที่บอดอยากจะถามว่าเอ๊ของเราทั้งหลายมีตาหรือไม่มีตามีหรือไม่มี มังสะจักสูนี้มีละใช่ไหมแต่ปัญญาจักสูนี้ใครมองเห็นกรรมและผลของกรรมไหมเนี่ยที่มานั่งๆนั่นะมนานศิกานกรรมและผลของกรรมไหมถ้ามนานัิกานนั่นแหละเรียกว่ามีปัญญาจักสะมองเออเนี่ยนะเขาเออรูปงามนะอันนี้เป็นผลของความไม่โกรธเขามีทรัพย์นะอันนี้เป็นผลของทานเขานี่มียศมีบริวานนะอันนี้เป็นผลของการที่เขาไม่ริษยาผู้อื่น เขาตระกูลสูงนะนี่เป็นผลของการอ่อนน้อมเป็นต้นนะก็ถ้าหากว่าน้อมไปคิดแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อันนี้เรียกว่ามีปัญญาจากสุขแต่ถ้าไม่ระลึกเลยเนี่ยบอดบอดจริงๆปัญญาจากสสเนี่ยบอดพันปกติสัตว์ทั้งหลายโดยมากอยู่ในความมืดความบอดพันคนก็เลยไม่รู้จริงไม่รู้จริงคือไม่รู้อะไรไม่รู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่รู้ว่า น, นี้ทุกสมุทยัยนิโรธมรร เมื่อไม่รู้อย่างนี้นะพอเป็นสัตว์โลกเป็นโลกที่มืดบอดอย่างนี้ไม่รู้จริงเปรียบเหมือนนกที่ไปติดข่ายของนายพรานน้อยตัวนักที่จะหลุดพ้นเพราะฉะนั้นพวกนกที่ติดบ่วงจริงๆนะยากที่จะหลุดฉันใดพวกที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมทั้งหลายยากนักที่จะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตเนยนะนะ มันก็เกี่ยวกับการระลึกชาติเนี่ยถือในศาสนาเราเนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากต่อการแทงตลอดอริยสัตว์ถ้ายิ่งระลึกชาติได้มากถ้าระลึกได้เป็นกับกับก็จะรู้ว่าช่วงหนึ่งกลับนี่กระดูกก็กรองโตกว่าภูเขาใช่ไหมถ้าระลึกได้หลา ย, ลายสิบกับหลายๆ ล, ล้านกลับจะเห็นน้ําตาล ม, มากกว่าน้ําทะเลมหาสมุทรเติบโตขึ้นมาดื่มนมจากถัน่นของมารดาเนี่ยก็มากกว่าน้ําทะเลแล้วเนี่ยถูกฆ่าถูกตัดคอเนี่ยเคยเกิดเป็น วัวอย่างเดียวถูกตัดคอนี่ก็มากกว่น้ําทะเลมหาสมุทรเมื่อกี้เนี่ยขานั่งรถมาเห็นเนื้อมันแขวนอยู่นะไม่รู้เนื้อเราถูกแขวนอย่างงี้มากี่ชาติแล้วก็ไม่รู้ น, น, นะเห็นไหมใครเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวานนะั้นดูซ้ายนะ่าจะเห็นเนื้อแขวนไว้นั้นก็นั่นแหละก็เคยเราไม่รู้เนื้อเราถูกแขวนมากี่ชาติต่อกี่ชาติแล้วนั้นถ้าและรสชาติได้มากๆก็จะรู้เลยแหละว่า มันน่าสังเวชจริงๆนะนะควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายควรแล้วที่จะคลายกำนัดควรแล้วที่จะอนัศละฉันทราค่าในขันห้าสักทีหนึ่งแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเนี่ยนะก็เฝ้าขันห้าเลี้ยงดูขันห้าไปเลี้ยงแล้วขันห้ามันเชื่อไหมมันเชื่อฟังไหมก็มันก็อย่างที่เห็นเนี่แหละบอกอย่าปวดหัวนะยามันก็ไม่เชื่อหรอกถ้าพาราบอกนั้นมันเชื่อบอกแต่เม็ดแดงๆหน่อยนะเนี่ยนะมันจะเชื่อนะบอกเลิกปวดนะ มันเลิกมันเชื่อพารามากาทีนี้มาดูว่าศรัทธามีลักษณะความเลื่อมใสศรัทธานะและมีอธิมุตเป็นอาการปรากฏศรัทธาที่มีลักษณะเลื่อมใสคือโอกับปณะศรัทธาเนี่ยก็คือความเลื่อมใสเนี่ยนะศรัทธานั้นน่มีความน้อมใจเชื่อเป็นอาการปรากฏอย่างเช่น อธิมุตนะอธิมุตเป็นปัจจุปฐานครั้งที่แล้วแก้ไว้แล้วใช่ไหมแก้แล้วนะศรัทธามีลักษณะเลื่อมใสมีอธิมุตเป็นอาการปรากฏเนี่ยอธิมุตเนี่ยคือน้อมใจเชื่อเช่นศรัทธาของพระโสดาบันเนี่ยเป็นโอกลับปัญศรัทธาใช่ไหมเป็นศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยน้อมดิ่งเชื่อพระพุทธเจ้าว่าตามเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนหลอกลวงอะไรไหมไม่เป็น เพราะฉะนั้นพระโสดาบันเนี่ยท่านน้อมดิ่งเชื่อตามพระพุทธเจ้าเลยว่าถ้าพระพุทธเจ้าพยากร์เช่นใดเป็นเช่นนั้นแหละพระองค์ตรัสว่าเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นจริงๆนั้นพระโสดาบันเนี่ยไม่เถียงคือยอมรับว่าเป็นจริงๆนะนะเป็นเห็นท่นาศรัทธาที่เป็นโอกรรมปณนะสัทธาเนี่ยนะที่เรียกลักษณะเริ่มใสก็คือโอกรรมปณ ะ, ะเนี่ยโอกลับปณ ะ, ะเนี่ยจึงมีอธิมุตเป็นอาการปรากฏเขาน้อมดิ่งเชื่อเลย เคยเห็นไม่พระ อ, อริยาสาวกไปประท้วงพระพุทธเจ้าไม่มีะนะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านั้นมีอธิมุตเป็นอาการปรากฏส่วนอะไ ร, ระ า, ะระาะนะษะะนะะาธาธนะมีลักษณะไม่ขุนมัวนะภาษาธามีลักษณะไม่ขุนมัวคือผ่องใสอ่ะนะไม่ขุนมัวก็แปลว่ามันมันใส ถ้าเป็นน้ำนะเราต้องนึกถึงน้ําน้ําที่ไม่มีตะกอนไม่มีโคลนตมเนี่ยนะเป็นน้ําที่ใสภาษาธาเนี่ยลักษณะไม่ขุนมัวก็คือใสมีความผ่องใสเป็นอาการปรากฏสัมปรสิธนะเป็นอาการปรากฏเนี่ยศรัทธามีลักษณะความเชื่อความเลื่อมใสอย่างยิ่งเป็นประทัดฐานของความเชื่อนั้นภาษาธามีลักษณะไม่ขุนมัวศรัทธาเป็นประทัดฐานของ ภาษาทานั้นเพราะฉะนั้นศรัทธาภาษาทานี่เป็นเป็นเหตุใกล้ของกันและกันนะเพราะมีความเลื่อมสายนั่นแหละจึงผองสใยเพราะผ่องใยนั่นแหละจึงเลื่อมสายเพราะฉะนั้นศรัทธาภาษาทาที่อื่นๆจะใช้คู่กันจริงๆแล้วเป็นปัจจัยแก่กันและกันนะนะมั้นศรัทธากับภาษาทานี่ก็คือศรัทธาย่างอ่อนกับอย่างกล้านั่นแหละพันศรัทธาเหล่านี้นะศรัทธาอ่อนๆก็เป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่แก่กล้า ศรัทธาที่แก่กล้าก็ทําศรัทธาที่อ่อนนั้นให้มีกําลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นอันนี้เป็นลักษณะของศรัทธาตรงนี้ขยายอินทรีย์านะขยายอินทรีย์าอันนี้ก็สัตทินรีย์ก่อนทีนี้มาดูวิริยินรีย์ว่าวิริยะวิริยินสีเนี่ยนะมีอารัมภะคือความพยายามเป็นลักษณะสัมมประธานเป็นเหตุใกล้ของวิริยะนั้น ปัธฐานคือเหตุใกล้เหตุใกล้เนี่ยนะเป็นตัวบอกว่าใครที่มีความเพียรเนี่ยเราดูว่าหนึ่งเข้าละบาปไหมเข้าระวังบาปไหมเขาเจริญบุญไหมเขาพ่อพูนบุญขึ้นไหมอันนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของผู้มีความเพียรดูได้จากตรงนี้ถ้าคุณธรรมเหล่านี้ไม่มีเรียกว่าคนเกียจคร้านเช่นบาปที่มีแล้วก็ปล่อยให้มันหมักหมมต่อไปไม่พยายามป้องกันไม่พยายามระวังบาป ไม่ยอมทําบุญใหม่ๆบุญเก่าๆก็กรพร่องกระแพงเต็มทีเนี่ยนะพวกนี้แหละเรียกว่าคนเกียจคร้านถึงจะตื่นมากก็ไม่ได้เรียกว่าขยันอะไรเรียกว่าคนเกียดคร้านเคยมีในะวัดวัดหนึ่งนะสามเณรรูปหนึ่งอู้วเกไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอกตื่นทั้งวันทั้งคืนนะนะีแต่ก็นิ่งตรงไหนหลับตรงนั้นเลยแต่ว่าไม่ค่อยหลับค่อยนอนหรอกเสร็จแล้วก็ฟุ้งซ่านมากเนะนะี่ยกุศลก็ไม่ค่อยเจริญดีอะไร พันพวกนี้เรียกว่าคนเกียรครานนะไม่ขยันอะไรเรียกว่าคนเกียรครานนั้นคนที่ขยันที่ที่ทมีการริเริ่มอารัมพาเนี่ยการริเริ่มเนี่ยผู้ที่ริเริ่มที่ถูกต้องเป็นการริเริ่มเพื่อละบาปเป็นการริเริ่มเพื่อเจริญบุญเกี่ยวกับการละบาปแบ่งออกเป็นสองคือระวังไม่ให้บาปใหม่เกิดขึ้นพยายามกาจัดบาปที่เกิดขึ้นแล้ว เกี่ยวกับการเจริญบุญก็แบ่งออกเป็นสองบุญที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นบุญที่เกิดแล้วก็พอกพูนทำให้มากขึ้นยิ่ ง, ง, งขึ้นยิ่งขึ้นนี่ลักษณะของผู้ที่มีความเพียรที่รเริ่มะนะเป็นเหตุใกล้ของผู้ที่มีความเพียรทีร่เริ่มมาดูสตินสีว่าสตินสีนั้นสติมีอภิลาปณ ะ, ะเป็นลักษณะถ้าบอกว่าสนใจในอารมณ์ถ้าสนใจนี่ฟังไม่ดีก็แค่มนสิการใช่ไ คำว่าสนใจในอารมณ์เนี่ยสติปัฐานเป็นเหตุใกล้คำว่าสนใจเนี่ยสนใจว่าอย่างไงถ้ากายานุปัสนาสติปัฐานสนใจว่ากายมนาสุภะถ้าเวทนานุปัสนาสติปัฐานมันสนใจเวทนาว่างไงสนใจเวทนาว่าเป็นทุกข์ถ้าจิตานุปัสนาสติปัฐานสติสนใจจิตว่าไม่เที่ยงถ้าธรรมานุปัสนาสติปัฐานสติสนใจธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนนะัตตา เพราะฉะนั้นสนใจตัวนี้เนี่ยมาจากอภิลาปะนะอภิลาปะนะนั้นสนใจแล้วก็ละวิปลาสได้ไม่ใช่แค่เออแตะแตะเหมือนกับไปเขี่ยวเียอะไรสักอย่างไม่ใช่นะสตินั้นกิจของสติปัฏฐานคือการละวิปลาสสมาธินีสมาธิ น, มนีมีการถือเอาอารมณ์อันเดียวไม่สัดสายก็คือเอกขละขลัคนโนเอกขละลัคนโอเนี่ยแปลว่า ความที่จิตและเจตสิกไม่เกลื่อนกลนกระจัดกระจาย น, นะถ้าเป็นอภิธรรมท่านใช้คําว่าความเป็นเอกคตาแห่งจิตเนี่ยนะจิตเตะเอกคตาเนี่ยนะหรือว่าจิตเตกคตาความเป็นอันเดียวของจิตและเจตสิกคือจิตเจตสิกไม่สับสนไม่เกลื่อนกลนไม่วุ่นวายอย่างเช่นนั้นะใครที่ตรึกพบเรื่องพระพุทธเจ้ า, าได้มากๆนะจิตเจตสิกเขาไม่วุ่นวายแต่ถ้าเป็นตรึกเรื่องคนอื่นมากมนี่เป็นยังไง โอ้ยวุ่นวายมากเลยในะในความคิดนะใครมีลูกค้าคนนะคิดถึงแต่ลูกห้าคนเนี่ยนะคิดคนที่หนึ่งไปถึงคนที่ห้าคิดกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมคิดอยู่ครึ่งวันจะเป็นยังไงนอนหลับหรือเปล่ามโนนะใครอาจจะขึ้นก็ได้นะแต่ว่าถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าอนุโลมปฏิโลมคิดทุกแง่ทุก ม, มุมพระพุทธเจ้าอยู่ครึ่งวันเลยจะเป็นยังไงะนะจิตเนี้ยผ่องใสเนี่ยนะมั่นคงโอ้ต่างกันเยอะเนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่กลับไม่ไม่ได้อย่างนั้นเนาะ เพราะว่าสมาธิไม่ดีนะสมาธินั้นมีลักษณะเอกักคะเออคำว่าเอกักฆะเนี่ยนะคือความเป็นอันเดียวจิตเจตสิกไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายฌานทั้งหลายเป็นประทฐานของสมาธินั้นฌานนั้นหมายถึงองค์ฌานนะองฌานนี่เป็นเหตุใกล้ของสมาธิเช่นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเนีเ่ยนะวิตกวิจารปีติสุข เ, เ, เขนี่ยเป็นเหตุใกล้แห่ง เอกคตาเอกคตาวิตกวิจารปีติสุขเป็นเหตุใกล้แห่งเอกคตาเพราะฉะนั darum, ้นถ้าวิตกวิจารปีติสุขเกิดมากเกิดดีเอกคตาก็มีกําลังนี้มาดูปัญญีสีหรือปัญญามีลักษณะการรู้โดยประการต่างๆนะปะชาณะเนี่ยนะก็คือรู้โดยประการต่างๆรู้ว่ายังไงรู้ว่านี้ทุกข์รู้ว่านี้สมุทัยรู้ว่านิโรธรู้ว่ามรร พวกรู้ว่ายังไงรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารู้ว่าชาติทุกชราทุกพยาที่ทุกมรณาโศกกะปริเทวะทุกขโทมานัสอุปาญาตอันนี้แหละปัญญาที่เรียกว่ารู้โดยประการต่างๆสัตจะอริยสัตเป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้นเพราะฉะนั้นข้าใครประสงค์ปัญญานธะพยายามคิดเรื่องอริยสัตย์บ่อยๆเพราะนั้นเป็นเหตุใกล้แห่งปัญญาผู้มีปัญญานี่คือคนที่คิดอริยสัตย์มาก ผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆขนาดอัฐิของท่านเนี่ยนะเขาก็ยังเอามามาใส่เนี่ยนะอัฐิจริงๆอะนะ่ะที่เป็นอัฐิของพระองค์เนี่ยถ้าวัดแบบทั่วๆไปไม่ได้เยอะอะไรใช่ไหมแต่ทำไมใจดีสูงตั้งร2 0เมตรฐานโดยรอบเนี่ยนะเกือบ300เมตรฐานโดยรอบเนี่ยนะเกือบ300เมตรถ้ารอบนอกเนี่ยนะเกือบครึ่งกิโลอ่ะถ้าเดินรอบเนี่ยเกือบครึ่งกิโลเลย ทำไมสร้างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบรรจุอัธิธาตเนี่ยนะทำไมพระอธิิธาตของพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นรู้ว่าการแตสรุปอริยสัตร์นี้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ออกจากทุกข์ได้เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงๆแต่ผู้ที่อยู่ในทุกข์นะทุกขตะที่สุดเนี่ยนะผู้ที่จมอยู่ในทุกขนะ์นะสมมุตินถ้าถ้าเป็นแบบในสมัยพุทธกาลเนี่ยมี ทาสุเนธเถระเนี่ยสุเนตะเนี่ยเถระเนี่ยท่านเป็นเกิดมาในตระกูลคนหาปุจจระเนี่ยนีเกิดมาในตระกูลคนหาปุจจระเนี่ยนีฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นผ้าอาหารภายในวันนั้นเนี่ยพอบรรลุเป็นผ้าอาหานักพรหมเนี่ยมาเป็นหมื่นเลยมากราบท่านนะจากหาปุจจระอยู่ดีดีเนี่ยพอบรรลุอริยสัจทับคนพรหมเนี่ยลงมากราบเลยนะอย่าว่าท่านล่างเลยคิดดูว่าการแทงตลอดอริยสัจเนี่ยคุณเป็นคุณที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหน เพราะฉะนั้นผู้ที่สมมติถ้าท่านไม่รู้อารยศัพท์นะชาตินั้นคงหาบอุจจาระจนตายเนี่ยนะก็สมัยนั้นมันไม่มีรถดูดซ้วมเทศบาลอะไรแบบสมัยนี้ใช่ไหมก็ต้องมีคนกลุ่มหนึ่งที่มาประกอบอาชีพหาบอุจจาระในเมืองไปทิ้งนอกเมืองเนี่ยนะก็เขาเรียกว่าตระกูลคนเทดอกไม้อะนะในคัมพีที่เราเรียกว่าเทดอกไม้อะคือคืออุจจาระใช่ไหมเอาดอกไม้มาวางข้างบนน่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าหาบดอกไม้ก็เรียกให้เพาะหน่อยจริงก็คือตระกูลขนอุจจาระนั่นเอง สมัยพุทธกาลเนี่ยมีสมัยโบราณนะที่ซ่วมมันไม่พัฒนาแบบซ่วมแบบสมัยใหม่เลยอะไรเนี่ยลยนะก็ก็ยังหาบอุจระกันอยู่อย่างเช่นบ้านห้าหชั้นเนี่ยนะบ้านสมัยก่อนนะเขาสร้างหลายๆชั้นนะถามว่าใช้ซ่วมกันยังไงก็ใส่กระโถนใส่อะไรไว้นะก็จะมีคนแผนกขนเอาไปทิ้งอีกเพราะนั้นเขามีพวกประกอบอาชีพอันนี้อีก พระสุเนตเนี่ยอดีต ท, ท่านเป็นคนที่หาบุญระตอนหลังท่านแทงตลอดอริยสัจนะพรหมเนี่ยมากราบไหว้ท่านนั้นการตรัสรู้อริยสัจเป็นคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆเจ้าชายสิทธะถ้าท่านเลือกเส้นทางเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินะโลกลืมท่านหมดแล้วมี่ใครรู้จัท่านหรอกแต่ตอนพอท่านเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆใครมีสถุปมากเท่าพระองค์บ้างใครมีทรัพย์สินเท่ากับพระองค์บ้างนะนี เฉพาะลำพังเจดีของพระ อ, องค์เนี่ยนะบริเวณอะไรก็ตามเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีเนื้อที่หลายหมื่นไร่มากทั่วโลกเนี่ยนะโอ้โหที่ดินมากมายมหาศาลทรัพย์สินหาประมาณไม่ได้พระรูปที่หล่อเป็นทองคําที่เป็นพระ อ, องค์เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตาของพระ อ, องค์เนี่ยเอาเพชรนะมาวางเอาพลอยเป็นต้นมาวางบุคคลทั่วๆไปมีใครไปประดับขนาดนั้นไหมไม่มีดันั้นการแทงตลอดอริยศาสตร์นี่เป็นคนที่ ที่ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยก็มีคุณคืออธิบดีใช่ไหมอธิปตยะเนี่ยอธิบดีโพธิปักจียธรรมที่ประชุมกันแต่ถ้าไม่ตรัสรู้อริยสัจล่ะก็ก็เหมือนเรานี่แหละมาทวนในย่อหน้าที่ผ่านมาเนี่ยนะกล่าวถึงเหตุของรูปปะราคา้อารูปอขอไกามคุณหอินรีห้าอายตนะว่าโดยสรุป เหตุใกล้ของของอะไรของภ พ, ส า, นนงพสามนะของภพสามนะกามาคุณห้าเนี่ยภพไหนก็การมาพบนะรูปอินทรีห้าก็ภพไหนก็กา ม, มาพบส่วนอายตนะที่6นี่เป็นได้กี่ภพทั้งการ ม, มาพบรูปประพบอรูปประพบเพราะฉะนั้นอันนี้เหตุใกล้ของภพสเหตุใกล้ของภพสามก็คือการมราคะรูปปราาะราคะและภาวะราคะ เพราะฉะนั้นราคะนั่นแหละเป็นเหตุใกล้แห่งพบสามไอความยินดีในที่เกิดนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของขันห่าว่าโดยสรุปเลยนะตัญหาจึงเป็นตัวนำเกิดโดยส่วนเดียวแต่ว่าตันหาเนี่ยนะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวประสานเกาะเกี่ยวเอาไว้ในโลกนะโลกทั้งหลายที่ที่สัตว์ทั้งหลายเพลดิดเพลินติดข้องถึงมันจะร้อนขนาดไหนตันหามันก็ทาให้เกาะเกี่ยวติดข้อง ถามว่าอยู่บนทางด่วนกลางวันถ้าแอร์มันเสียนี่เป็นยังไงยำเพียนเป็นยังไงโอโหร้อนหูดับเลยนะรถติดด้วยนะรถติดด้วยแล้วก็แอร์ก็เสียด้วยแล้วก็รถติดด้วยแล้วกลางวันแดดเที่ยงวันด้วยนะสักสามชั่วโมงเนี่ยนะถามว่าคิดถึงนิพานเลยใช่ไหมไม่ใช่คิดถึงขันห้าต่อนั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพบใหม่ที่มีต่อไปมีต่อไปเนี่ยเกิดจากความ ความหวังถ้าเราจับประเด็นของคําสอนโดยสรุปนะพระองค์สอนโดยสรุปเนี่สอนว่ายังไงสอนว่าท่านจงตัดความหวังในอดีตซะหมายความว่าตัดความหวังในสิ่งที่เป็นอดีตทั้งหมดซะแล้วก็เลิกหวังขันท่าทั้งหมดที่จะมีในอนาคตเอาแล้วทำไงกับขันในปัจจุบันก็ตามเห็นขันอันนี้โดยอนุปัสนาเจตแล้วจักสงบราคะโทสะโมหะเที่ยวไปได้ นั่นถ้จาจะทําที่สุดแห่งทุกได้อ่า น, นะโดยหลักการคําสอนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าศาสตรทั้งหลายคิดตรงกันข้ามกับคําสอนทั้งหมดนี่นะมันทุกนะอีกแป๊บเดียวนะมันจะเลิกทุกแล้วสบายเนี่ยฝนตกปริบอย่างนี้นะเดี๋ยวไปถึงบ้านเราจะสบายคิดอย่างนี้ไปเรืยนะสร้างความหวังไปเรืใช่ไหมพอฟังคํานะเดี๋ยวก็ถึงเวลาเลิกแล้วจับสบายพอเลิกแล้วเออเดี๋ยว เ, เวลาฟังคำอีกแล้วนะต้อปวดเมื่อยเอเดี๋ยวกลับบ้านนะสบาย ระหว่างทางเดี๋ยวไปถึงบ้านแล้วจักสบายนะนะเดี๋ยวนอนแล้วจักสบายเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วไปมันหวังไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยนะเขาบอกว่าโลกไม่มีการสิ้นความหวังเลยใช่เพราะวัฏตะนี่จึงไม่มีที่สิ้นสุดตัณหาเนี่ยมันตัวหวังจริงขณะรู้โทษนะเวลาเราหวังเราก็ไม่ค่อยเห็นโทษนะหวังอย่างไรอย่างหนึ่งขึ้นมานะโอมาแล้วนอเหตุแห่งทุกข์ สมุทัยศัสตร์เกิดขึ้นแล้วหนอเนี่ยนะตัวนี้แหละเป็นตัวนําไปสู่วัตถทุก น, นะถ้ามีสติอย่างนี้บ้างก็น่าจะดีนะแต่อย่างนี้เรือมีสตินะเออเนี่ยสมุทัยศัสตร์เกิดขึ้นแล้วเนานําเกิดหรือว่านําไปสู่ทุกข์อีกแล้วก็เอามาพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อย่าลืมว่าการปฏิบัติในพระศาสนาเนี่ยอะไรเป็นตัวปฏิบัติเคยคิดไหมตัวปฏิบัติจริงๆเนี่ยคืออะไร ไปยูนไปเดินไปนั่งไปนอนไปตีลังการหรือไปทํายังไงไม่เรียกว่าปฏิบัติตัวสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวปฏิบัติถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดนะขอให้มาบวชก็ไม่ใช่ปฏิบัติอย่าว่าเป็นคราวาเลยต่อให้มาบวช ด, ด้วยเอาไปอยู่ป่าด้วยะนะไปอยู่พาไปอยู่แถวแถวกุฏินะข้างๆกุฏิน่นนะขึ้นไปอยู่บนดอยดูที่ไปเจริญปัญญาอะไรเพราะไม่ได้ไปอยู่ในป่าปแปลว่าปฏิบัติเสมอไปเพราะโยมเขาไปหาฟืนเขาก็หาแถวป่าเหมือนกันเนี่ยนะ ยมเขามีชูคนหนึ่งชื่อลุงทอนไปเที่ยวตัดเท่านั้นเนะควันบุรีขมงไปหมดเลยนะแล้วก็เดินมาใกล้กลุฏิก็บอกว่าลงปูพางกันขอหวยหน่อยไออยู่ป่านี่ไม่ได้แปลว่าแถวแถวป่าแล้วมันจะปฏิบัติอะไรนะเพราะไม่ใช่ตัวที่สถานที่ไม่ได้ตัวที่อื่นหรอกแต่เป็นตัวสัมมาทิฐินะลุงทอนเนี่ยเรียกลุงปูงเลยอ่ะเขารายมาก บุหรี่แกม่วนเท่านี้ควันขมงหมดม น, นนะบอกไม่รู้ก็บอกแกก็ขออยู่นานอพออยู่นานนะแนะกก็บอกหลงปูน ใ, ใจดำจังเลยก็งั้นแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วตุวกุติโน้นต่านจะบอกหรือเปล่าเ อ, อ๊ไปดูท่านที <Okay. S 1> เราก็เียบส่องไปเลยแกก็ไปไปบอกตุ๊เขานั่งสมาธิอยู่นะแกก็เลยไปหาตัดฟืนแกต่อ อาชีพหาฟืนขายน่ น, นะหาฟืนก็คือหาไม้ไผ่ไต่ตาเนี่ยนะก็คือเฟนแกเนี่ยนะขันรถละขันรถเลยนะีเต็มรถปิกอัพเนี่ยไม้ไผ่ขันรถปิกอัพเนี่ยส้า250บาทประมาณเนี้ย oh. ทางรถเนี่ยนะแล้วถามว่าแกไปเอามาจากไหนแกเอามาจากยอดเขานนยอดเขานี่แกก็ขึ้นไปนะแกก็จะต้องหาช่องทางว่ามันจะลื่นไปได้ยังไงไอ้ไม้ไผ่อันเนี่ยนะแกมันจะมีร่อง มันแกก็ต้องคอยให้มันไหลลื่นไปแล้วก็ค่อยๆไปตามน้ําบอกว่ากี่วันจะได้คันหนึ่งบอกสองวันบ้างสามวันบ้างได้คันหนึ่งนะได้แล้วไปทําอะไรบอกก็เมาตลอดอีกนั่นแหละแล้วก็ขึ้นท้าฟืนต่อนะก็อยู่อย่างนั้นแหละนะจะทบทวนว่าไม่ใช่อยู่ป่าอยู่เขาแล้วจะปฏิบัติอะไรหรอท่านตัวปฏิบัติจริงๆอยู่ที่สมาธิอันนะ แล้วไม่ได้อยู่ที่อิริยาบถนะไม่ใช่นั่งมากแล้วปฏิบัติมากไม่ใช่คนนั่งเล่นไพ่ร่างนั่งทั้งวันทั้งคืนอย่างนี้มันก็ตัวสัมมาทิฏฐินะเป็นตัวปฏิบัติขอให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิรู้อะไรเบาที่สุดเนี่ยกรรมมกตาเนี่ยรู้กรรมและผลของกรรมนะรู้กรรมและผลของกรรมแต่ถ้าจะปฏิบัติให้พ้นทุกต้องอินทรีห้าอินทรีห้านะจึงจะปฏิบัติได้พ้นทุกคือศรัทธา วิรยิยะสติสมาธิและปัญญาสัทธามีอะไรเป็นเหตุใกล้ภาษาทาภาาธามีอะไรเป็นเหตุใกล้มีสัทธาก็สัทธาภาษาทามันก็ใกล้ๆกันนั่นแหละถ้าจะกล่าวให้เต็มบริบูรณ์ก็มีทารถณะ ต, ตรายเป็นเหตุใกล้แต่ตรงนี้เนี่ยนะที่ท่านยกแบบนี้มาเนี่ยข้างบนเนี่ยปุเพนิวาสานุสติยานเป็นประธานของยานทัศนะไอญาณทัศนะตัวนั้นแหละคือเหตุใกล้ของ ศรัทธาประสาทะเพราะอะไรเพราะระลึกชาติได้มากขึ้นมากขึ้นยิ่งระลึกเท่าไร่ก็เห็นทุกในวัตตะมากขนาดนั้นถามว่ามีศรัทธาที่จะออกจากวัตตะไหมอันนี้ก่อนนะใช่ไหมสองมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ออกจากวัตตะไหมมีศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมคำสอนที่พระองค์สอนให้พ้นจากวัตตะไหมเลื่อมสายในผู้ที่ออกจากวัตะแล้วไหมตรงนี้แหละเรียกว่ามีศรัทธา ก็มีศรัทธาในพระตนะตรยัยรู้กรรมและผลของกรรมทีนี้ในการรู้กรรมและผลของกรรมอย่างนี้ดีเนี่ยนะศรัทธ า, ายอย่างเดียวบรรลุได้ไหมไม่ได้ก็ต้องอินสีย์้าอินสี์ที่เหลือเข้ามาเกี่ยวข้องวิริยะดูได้จากสัมมาประธานสี่สติก็ดูจากสติประธานสี่สมาธิก็ดูจากฌานสี่ปัญญาก็ดูจากอริยสัจสี่ถ้าประชุมกันเมื่อไหร่ก็ออกจากวัฏะได้ ทำลายกามะตัญหาไดต้ตัวตัวตัญหาทั้งหลายที่เพลิดเพลินในพพเพลิดเพลินในวัตถะเนี่ยนะพระองค์อุ ป, ปมาประดุจหนี้ความเป็นหนี้เนี่ยนะที่เราไปเที่ยวกู้มานะไปขอยืมไปกู้ในรูปบ้างกู้จากเสียงจากเกลื่นจากรสจากโธพธิภะจากธรรมารมณ์เนี่ยนะหนี้สินเนี่ยเรากู้มากี่ชาติแล้วนะไปกู้มาไม่รู้กี่ชาติตอกี่ชาติเนี่ยนะ ก็ไปกู้มาขอให้ปียรูปสาธารูปขอกู้มาหมดแล้วเนี่ยนะถามว่าเอาอะไรมาใช้นี่คือตัณหาได้หมดนะถ้าอินทรีย์ห้าไม่เพียงพอนะใช้นี่ไม่ไหวหรอก น, น, นะนะพออะไรพอเจอปียรูปสาตรูปปั๊บเนี่ยนะเจ้าหนี้มาแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะจ่ายเลยก็เลยยอมจำนนหมดเจ อ, อปียรูปาสาธารูปมาก็โทสะอีกแล้วไม่มีอะไรมาจ่ายอีกนะเพราะฉะนั้นก็ นี่สินบาลไปหมดเลยนะถ้าอินทรีย์ไม่เลิศจริงๆใช้นี่วัตตะไม่หมดหรอกนะนันศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องที่จะใช้นี่ที่จะเปลื้องตัวตนเนี่ยออกจากวัตตะจริงๆประกาศอริยสัจไปสองรอบใหญ่ๆแล้วนะเนี่ยได้พออะไรได้บ้างละถ้าเราจะถามว่าอาดีตชาติเราเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างที่เราเห็นๆนี่แหละ ทีนี้โดยมากเห็นคนมั่งมีหรือเห็นคนยากมากกว่ากันทีนี้ถ้าเราจะดูก็ถามใจนะเราเห็นแล้วเราคิดจะให้หรือไปหามมากกว่ากันคิดจะไปให้หรือคิดจะไปเอามากกว่ากันก็ดูได้แล้วว่าควรจะเคยเกิดเป็นอะไรมากที่สุดเนี่ยในในวัตฏะอันยืดยาวเห็นว่าน่าคิดอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะเป็นตั้งคถามง่ายๆว่าเราพ้นสภาพนี้หรื อ, อยัง คนสภาพนี้หรื อ, อยังเกก็นั่งรถมาก็โยมคนหนึ่งแกปั้นน่ยปั่นสลิงอเน่มือข้างหนึ่งก็พิการใส่เฟือกใส่ปลอกเต็มที่ไปหมดไปหาซื้อขยะต่อก็อยังนงี้แหละขันห้านี่ถ้าใครติดข้องกับขันห้ามากหาทางออกจากขันห้าไม่พ้นก็บำาเรอขันห้าต่อไปเลี้ยงดูขันห้าทีนี้ถ้าผู้ที่อยู่ในทุกขนะ์จะต้องอยู่ได้ทุกสภาพ ถ้าโดยที่สุดในนรกมันยังอยู่ได้นะร้อนขนาดไหนก็ต้องอยู่ได้อยู่ได้ในทุกสภาพถ้าหากว่าเราไม่ยอมปลดเรื่องตัวเองออกจากขันห้านะถ้าไม่ตัดอะไรในขันห้าเสียขันห้าเนี่ยนะมันจะเล่นงานมันสัตว์ที่มีสุขจริงๆไม่มากนนะโดยมากมีเป็นทุกขมากกว่าก็ยังถามง่ายๆว่าเราสบายใจหรือทุกใจมากกว่ากันก็ สิ่งใดที่เราเรียกว่ามันสบายใจในตอนนั้นนะตอนหลัง ก, ก็ไม่ใช่ ก, ก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ใจซะส่วนใหญ่การราคะเป็นเหตุของวัตตะนะอินสี่ห้าเป็นเหตุของวิวัตตะทีนี้ก็มาดูเหตุของวัตตะอีกครั้งหนึ่งเหตุของวัตตะวิวัตตะนี่แหละปะฐฐา น, นก็อยู่ทันทันอยู่แถวนี้แหละ อีกอย่างหนึ่งอโยนิสโสมน ส, สิการมีลักษณะการทำใจยินดีในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งสังโยชนะสังโยชนิยธรรมนะในธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน์เพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งเติมได้ใช่ั้ยใครเติมได้ยังคุณอรัยเติมได้ยังอโยนิสโสมน ส, สิการมีลักษณะการทำใจยินดีในธรรมะที่เป็นที่ตั้งแห่งสังโยชน คือบาลีว่าสังโยชนียธรรมเนี่ยสังโยชนียธรรมคืออะไรก็คืออุปาทานขันห้า 5. พันอโยนิสมานาสิกานี่คือการทําหรือการมนาสิการว่าอุปาทานขันห้ามันน่ายินดีนั่นแหละเรียกว่าอโยนิสมานาสิการการทําใจยินดีก็มาจากอัศาธามานสิกานนะมนาสิการโดยอัศธาในาอุปาทานขันห้าว่าอุปาทานขันห้าน่ายินดี อวิชานี้เป็นประทับฐานขององโยนิโสมนสิการเหตุใกล้ขององโยนิโสก็คืออวิชาเพราะอโยนิโสมนัสิการมันเกิดขึ้นมันบอกว่าขันห้าหน้า ย, ยินดีนะขันห้าไม่ได้น่า ย, ยินร้ายอะไรหรอกเพลินออกสนุกออกไงนะนั้นอโยนิโสมเป็นอย่างนั้นอวิชานั่นแหละเป็นเหตุใกล้อวิชานี่เขาเป็นยังไงเขาทําให้ได้ในสิ่งที่ไม่ควรได้ไม่ให้ได้ในสิ่งที่ควรได้ อ น, นะอะไรไม่ควรได้ก็บาปทั้งหลายไม่ควรได้แต่อวิชามันทําให้ทําบาปกุศลทั้งหลายเป็นสิ่งที่ควรได้ควรเจริญแต่อวิชาไม่ยอมเพราะฉะนั้นอวิชานี่แหละที่ลักษณะให้ยินดีในบาปให้รังเกียจบุญและก็ไปสายใจว่าขันห้านหน้ายินดีอวิชามีลักษณะหลงในสัจจะสียคว่าลุ่มหลงอ่ะนะลุ่มหลงในสัจจะสี่ อวิชชาตัวนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของสังขารทั้งหลายนะอาวิชชาเนี่ยเป็นความเขลาวความไม่รู้สัจธรรมความไม่เห็นสัจธรรมก็มาพยายามที่จะกล่าวบ่อยๆมากๆกันนะเนี่ยลืมตามองเห็นก็คิดบ้างสิจากโคจากโคสมูทไทยจากโคนิโรจากโคนิโรธคามินีปฏิปทาพอที่จะให้มีวิชาอยู่บ้างใช่ไหมสีก็เออเนี่ยรูปรูปสมูทไทยรูปนิโรรูปนิโรธคามินีปฏิปทา จากคูวิญญาณที่เห็นก็จากคูวิญญาณจากคูวิญญาณสมุทัยจากคูวิญญาณนิโรจากคูวิญญาณนิโรธคามมนีปฏิปทานเนี่ยนะอาศัยจากคู่กับรูปเกิดจากคูวิญญาณสามอย่างประชุมการเรียกว่าผัสสะผัสสะผัสสะสมุทัยผัสสะนิโรผัสสะนิโรทคามินีปฏิปทานเนี่ยนะคิดอย่างนี้บางเอิญไอการคิดอย่างนี้แหละเป็นเหตุใกล้ของปัญญาที่จะเห็นอริยสัจใช่ไหมถ้าไม่คิดเลยอันนั้นแหละเป็นอวิชชา อวิชชาตัวนี้นี่แหละเป็นเหตุใกล้ของสังขารทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ของอะไรคิดเป็นบุญบ้างคิดเป็นบาปบ้างนะก็อยู่กับบุญกับบาปนี่แหละสลับคระเข้ากันไปแต่โดยมากบาปนะอวิชชานะเป็นเหตุใกล้แห่งสังขารสังขาร น, นั้นมีลักษณะทําให้ถึงพบใหม่นนะคือมันเป็นตัวนําไปสู่พบใหม่ ทวารไหนมั่งเราทวารไหนมั่งที่เห็นได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะที่ไม่ทํากรรมไปเพื่อพบใหม่มมหมมมนเนี่ยมีไหมไม่มีทุกทวารเนี่ยเช่นจากภูทวารหรือปัญจทวารวิถีเป็นอะไรกรรมมโนกรรมนะในชวนะในปัญจทวารวิถีเป็นมโนกรรมเพราะไม่ทำวิญยัตเลยเนี่ยนะถ้ามโนทวารวิถีถ้าทํากายะวิญยัตเป็นกายกรรม ถ้าล่วงเป็นว จ, จีวิญยัตเป็นว จ, จีกรรมถ้าไม่ทําวิญยัตก็เป็นมโนกรรมเพราะฉะนั้นกรรมกรรมสามในทวารหกนะก็ไหล่สืบอเนื่องกันไปก็ทํากรรมอย่างนี้แหละทีนี้ตัวสังขารนี่ภารกิจของเขาลักษณะของเขานําไปสู่ภพใหม่อย่างเดียวะนะนำไปสู่ภพใหม่ทั้งอุปติภพกับตัวมันเองคือกรรมภพเลยนะกรรมะภพตัวนี้นําไปสู่อุปติภพมันเป็นเหตุให้มี วิบากต่อไปเนี่ยนะก็เนี่ยเราคิดบ่อยไหมว่าอย่างเช่นที่พูดอยูเนี่ยทุกคําที่พูดเนี่ยเป็นวจีกรรมนะสายใจยุรู้เปล่าว่ามันมีผลต่อไปที่เรากําลังคิดฟังพระธรรมอ่านพระธรรมเนี่ยอันนี้เป็นกรรมนะมีวิบากต่อไปใส่ใจแบบนี้บ่อยๆบ่อยๆไหมนะใส่ใจให้มันให้มีวิชาเกิดขึ้นบ้างแต่ถ้าไม่สายใจนั่นแหละลักษณะของอวิชา